พวกพระหมู่พวกเพื่อนสิทธิยานุสิทธิญาติโยมทุกๆคนได้มาคารวะทำวัดครูบาอาจารย์ตามประเพณีการเข้าพรรษาประเพณีการเข้าพรรษาหรือว่าการทำวัดคารวะก็เป็นมาจากครูบาอาจารย์สมัยหลวงพ่อเองอยู่กับองคหลวงปู่ล่า ที่วัดภูเจาะกอสมัยนั้นถนนผนทางไม่สะดวกเป็นเนนน้อยติดตามองค์หลวงปู่ไปครวะหลวงปู่กงแก้วบั้งหลวงปู่ค้ำบั่งหลวงปู่มหาบุญมีบัางที่มีอายุพรรษามากกว่าองค์หลวงปูล่ลาเวลาไปแล้วก็บางทีกลับไม่ทันต้อ ง, ปนนอนงไปนอนค้างวันนั้นไปนอนค้างบางทีก็นอนคืนสองคืน พอมันเหนื่อยจะกลับมาวันพุ่งนี้ก็ไม่ได้นะไกลเดินทางไกลบางทีก็ไปวัน2วันแล้วก็กลับเพราะไม่มีรถสมัยนั้นแต่พอมันอยู่กับพงหลวงตามหาบัวตัวของท่านเองท่านก็ให้จัดเครื่องสักการะให้ท่านมอบให้ท่านอย่างพาอาบน้ำไม้ซีฟอนทูบเทียน มอบให้ท่านจัดเป็นชุดๆไว้พอได้เวลาท่านก็ไปเองถึงบางทีท่านก็ไปองค์สององค์พอไปถึงหลวงปู่ขาวท่านก็ยกของคารวะจบแล้วก็มอบถวายท่านนี่คือท่านจังติดอธิษฐานกายกรรมวจีกรรมก็สุดแท้แต่ท่านจะนั่นละไปถึงหลวงปู่ฟันท่านก็จบ แล้วก็ถวายคููบาอาจารย์ยุคนั้นยังมีหลายหลายองค์ว่างั้นอะอันนี้คือวิธีการขององค์หลวงตามหมาบัวท่านก็ไม่ได้พามูพาคณะพาพระในวัดไปคารวะนี่ยันท่านไปด้วยองค์ของท่านเองนีบางทีกับไปกับญาติโยมบางทีกับไปกับพระองค์สององค์ไปถวายนี่เรียกว่าถวายสักการะ ราบคูบาจารย์วันเข้าพรรษาอันนี้ก็ลุงพ่อก็เคยเห็นเพราะนั้นที่พูดให้ฟังนี่ก็คือเป็นแนวแถวสำหรับพระพวกเราจะได้นำไปคิดปรับปรุงว่าควรจะทำอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็พอต่อมาก็ยุคสมัยนี้การไปมาสะดวก หลวงพ่อเองก็แต่ละปีก็ได้นำคณะสัทธายาตโยมไปการาบคารวะครูบาอาจาร์แถบถิ่นที่อยู่ใกล้หรือว่าเป็นครูบาอาจารที่เคารพนับถือถึงจะอยู่ไกลก็พยายามไปการาบคารวะท่านถวายเครื่องสักการะท่านเป็นวันเข้าพรรษาอันนี้ก็ไปเกือบครบทุกองค์่นแหละ หลวงปู่บ่นมีหลวงปู่เพียนหลวงปูล่ลรี่ที่เป็นพระผู้ใหญ่ไม่นับถึงองค์หลวงตามหาบัวว่างั้นเถอเดี๋ยวนี้ก็ยังขาดู่วัดหลวงปู่จามที่ยังไม่ได้ไปแต่พอไปวัดหลวงปู่จามมหาปุญโยแล้วก็ก็คงไปกราบคารวะเจดีย์องค์หลวงปู่ล่า ด, ด้วยคือ เอาดอกไม้ทูบเทียนไปสักการะอธิธาตุขององค์หลวงปู่หลวงปู่ ล, ล่าทุกปีไม่เคยขาดแต่ปีนี้รู้สึกว่าก่อนเข้าพรรษาก็มีธุระการงานพอเข้ามาขณะนี้ก็ฝนตกชุกจะหาโอกาสยังไปไม่ได้อยู่งนกันแต่แต่ก็คิดว่าจะไปก่อนออกพรรษาไปครวะองค์หลวงปูจามแล้วไปครวะ อธิธาต์ขององค์หลวงปู่ล่าเพราะนั้นบุญคุณที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนมันอยู่ในใจของเราเองถึงจะกราบจากที่นี่ไปก็ถึงกราบไปจากที่นี่ก็ถึงบุญคุณครูบาอาจารย์แต่ไปกราบที่นู่นกลับไปเห็นสถานที่เียว่าเป็นอธิตารมและเลือถึงครูบาอาจารย์สมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ อบรมแนะนําสั่งสอนท ร, รมาภาคปฏิบัติกิจวัดข้อวัดเรื่องศีรายจารวัดความประพฤติทุกอย่างให้เราได้รู้ให้เราได้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงได้ไปกราบในเจดีองค์เจดีที่วัดท่านที่ท่านอยู่อย่างองค์หลวงตามหาบัวก็เหมือนกัน เท่านคณะท่านเป็นพระผู้เฒ่าผู้แก่ถึงขนาดนี้กว่าเธอแต่ท่านก็ยังไปกราบพิพิธภัณฑ์องค์หลวงปู่มั่นไม่เว้นเกือบแต่ละเดือนท่านเขาไปกราบท่านกราบด้วยความเคารพจริงๆกราบด้วยความคารวะจริงๆริงเข้าไปกราบในองค์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกล น, นคร อ, อันนี้ก็เป็น แบบอย่างที่ดีเรียว่านับนับถือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยครูเนี่ยเป็นต้นแบบต้นฉบับของศิษยาณุสิษย์เป็นผู้รำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ทาแบบงว่าใครระ ล, ลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นแล้วมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเย็นใจแต่ถ้าหากว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามาประมาตปิดามารดา ครูอุปชาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงตัวเองว่าจะเจริญขนาดไหนก็เถอะแต่จิตใจนั้นเสื่อมจิตใจนั้นดำจิตใจนั้นาหาความผ่องใสไม่ได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนเราเกิดมาจากใครถ้าว่าร่างกายสังขาร น, นี่ก็ปลุกร่างสังขารพวกเรานั่งอยู่นี่ เราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่แต่ส่วนธรรมะส่วนแนวความคิดส่วนความรู้ความฉลาดเราได้มาจากใครก็ได้มาจากครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงก็ตามพ่อแม่เราก็ได้มาส่วนหนึ่งเราเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็ให้มาส่วนหนึ่งแนะนำสั่งสอนระดับหนึ่ง ท่านเจึงจัดว่าพ่อแม่เป็นบุคคอาจารย์ของลูกเป็นอาจารย์เบื้องต้นของลูกนบบุคคอาจารย์เป็นผู้กล่าวสั่งสอนพวกเราก่อนใครอื่นทั้งหมดเราเกิดมาลืมตาดูโลกเรายังไม่รู้เดียงสาภาวะพ่อแม่ก็ให้ความดูแลอุปถัมบำลุงข้าวน้าปัจจัย เครื่องนุ่งห่มต่างๆจากนั่นก่อพอลูกตัวเองพอจะรู้เรื่องก่อแนะนำสั่งสอนให้รู้จักหนาวให้รู้จักร้อนให้รู้จักอยู่ให้รู้จักกินให้รู้จักขับจักรไทยให้รู้จักหลับจักงอนจากนั้นก็ให้รู้จักเลียกพ่อเรียกแม่เลียกผีเรียกน้องปู่ย่าตายายจากนั่นก็สอนจนหมดความสามารถของพ่อแม่ จากท่านก็ส่งเข้าโรงรําโรงเรียนถึงจะส่งเข้าโรงร่าโรงเรียนแต่พ่อแม่ก็ยังเป็นผู้ดูแลอุปถัมปะทาในเครื่องเรียนเงินคำทรัพสมบัติดูแลมาตลอดอันนี้ท่านจึงเรียกว่าพ่อแม่เป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรทิ่ดาเพราะนั้นพ่อแม่ที่บอกเป็นครูเหมือนกัน เป็นบุคพอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกเพราะนั้นพวกเราควรจะรักเคารพในคุณครูของเราอันดับหนึ่งจากนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้รู้จักหนังสือจากนั้นเขามาบวชในพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ก็สอนให้รู้จักธรรมะตื่นลึกหนาบาง สิ่งควรทำและสิ่งไม่ควรทำตลอดถึงศีลสมาธิปัญญาตามความสามารถของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละองค์หาคำมาที่จะมาอบรมสั่งสอนแนวความคิดเรื่องที่จะมาอบรมสั่งสอนทีไ่ได้ประสบประการมาอย่างไรก็นำมาแนะนำสั่งสอนสิทธิานุสิ์ของตัวเองให้มีความรู้ความฉลาด ความรอบขอบสรุปแล้วก็คือให้เอาตัวรอดในทางคดีโลกและคดีธรรมสวนคดีโลกก็มีมากมายที่จะต้องมองสวนคดีธรรมนั้นก็ที่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้แล้วต่างคนก็ต่างได้ศึกษาแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อนลูกเขาตัวเองลูกศิษย์ตัวเองอย่างน้อยอยู่ครูบาอาจารย์ก็พยายาม หาวิธีที่จะให้ลูกเข้าใจให้ลูกศิษย์เข้าใจจะทํำยังไงจึงจะเขาจึงจะเข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ให้ให้นึกซึ้งลงไปเหมือนกับลูกตัวเองอย่างเล็กเราจะทํำยังไงเราจะเอาข้าวเป็นเม็ดเอาแกงยัดเข้าไปปากเลยเกี่ยวกินไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องเคี่ยวอาหารเคี่ยวแล้วก็ไป ใบตองห่อซะก่อนให้มันสุกซะก่อนให้มันเย็นซะก่อนยังค่อยป้อนเข้าไปเเหมือนกับนกหนูปูปีกสัตว์ต่างๆก็เหมือนกันก่อนที่จะลูกตัวเองจะใหญ่ขึ้นมาได้พ่อแม่ก็ต้องดูอันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูใาจา์ทางธรรมะก็เช่นเดียวกันที่จะสั่งสอนอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความฉลาดก็พยายาม แ น, แนวความคิดที่ลูกศิษย์จะให้ได้รับความรู้ความฉลาดก็พยายามหาวิธีเอามาพูดให้ฟังเอามาวิเคราะห์ให้ฟังเ อ, เอามาตีแผ่ให้ฟังเอามาวิจารให้ฟังในข้อธรรมะนั้ น, น, นต่อมาถ้าหาว่าลูกศิษย์รู้ฉลาดขึ้นมาแล้วก็สอนธรรมะอันลึกซึ้ง ที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็ลูกศิษย์ก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้อันนี้ก็บางองค์ก็อาจจะเก่งกว่าครูบาอาจารย์ก็มีอยู่มากไม่ไม่มีจำกัดสุดแท้แต่บุญบารมีวาสนาบารมีของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันบางอรูบาอาจารย์ก็ท่านก็รู้ในระดับหนึ่ง แต่พอสอนสิทธยาธิษสิทธยาธิษที่เกิดมาจากองค์นั้นมาจากความรู้จากองค์นั้นท่านเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดเนืน้อกว่าครูบาอาจารย์อันนั้นก็มีมากต่อมากเพราะเป็นบุญวาสนาบารมีเก่าไม่มีการแข่งแข่งกันได้แข่งความหมั่นความขยัน แข่งความอดทนแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาบา ร, รมีแข่งกันไม่ได้อันนี้ก็คนโ บ, ร, บราณเขาพูดก็จริงอย่างที่เขาพูดไว้ทั้งหมดนั่นแหละดันั้นมาพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติที่นี่สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ขอให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมพีใน อันนี้คือแนวแถวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผู้ใดเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเรียกว่าศากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาแบบพระพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไร พวกเรากควรจะยึดแนวแถวหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนบอกกล่าวไว้แล้วอย่าไปทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามทําตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัดไว้ที่พระพุทธองค์ทรงมัญญัติไว้อย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องต้นก็คือศีลศีลของพระมีอยู่สองรอยย่สิบเจ็ดโทษแต่ละข้อนั้นไม่เหมือนกัน เหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองแต่โทษประหารก็มีโทษจำคุกตลอดชีวิตก็มีจากนั้นก็โทษทั้งปรับทั้งไหมก็มีโท ษ, โทษจำคุกธรรมดาก็มีมีแตโ่โทษโทษศีลไหมก็มีทั้งปรับทั้งจำก็มีในหลักของพระศาสนาถ้าจะเปรียบเทียบกันก็ ค, คล้ายๆกันถ้าหากว่าพระภิกษุทำผิด ในหลักพระธรรมวินัยคําสั่งสอนของผู้เรียเจ้าผิดพระธรรมวินัยกระโทษประหารมีโทษประหารมีอยู่4ข้อแปลว่าขาดจากการเป็นภิกษุถึงจะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ถ้าตัวเองทําแล้วในที่ลับก็ตามในที่แจ้งก็ตามขาดจากการเป็นพระอันนี้แปลว่าภิกษุทําผิดกระทําผิดถึงจะใครจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตาม ในที่รับก็าตามในที่แจ้งก็าตามในการกระทำความผิดนั้นขาดจากการเป็นภิกษุเดี๋ยวว่าเป็นปาลาชิกโทษปาหารมีอยู่4ข้อการทำความผิดหรือการทำความถูกในหลักของพระธรรมคาสั่งสอนแล้วท่านบอกว่าเหมือนกับไฟการกระทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วเหมือนกับเราจับไฟถ้าเราจับไฟในที่มืด มันร้อนไหมถ้าเราจับไฟในที่แจ้งที่คนเยอะๆมันร้อนไหมมันก็ร้อนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันทําการทําความชั่วถึงจะใครจะไม่เห็นก็คือความชั่วถึงจะใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็คือความชั่วมันเป็นทุกข์มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องถึงจะจับไฟในที่แจ้งที่มืดก็าตามอันนั้นคือไฟจับที่ไหนก็ร้อนที่นั่นเพราะมันเป็นไฟ ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้แหละถ้าพอพวกเรารู้อย่างนี้แล้วกรรมชั่วนั้นถึงจะทำในที่แจ้งก็ตามในที่ับก็ตามคือกรรมชั่ววันยังขำทำกรรมดีกเหมือนกันจับน้ำแข็งจับในที่ไหนก็ตามเย็นในที่นั้นอันนี้นี่หลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นการกระทำกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้เลือกสถานที่ทากรรมชั่วในทิศสถานที่ใดก็ชั่วในที่นั้น คำศัพกรรมดีในสถานที่ใดก็ดีในที่นั้นเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองคนทั้งที่รับในระดับที่แจง้งตรงกันข้ามกับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองในคุ้มครองแต่ในที่แจง้งถ้าว่าคนเห็นนั้นเออเอามาพูดเอามาสักขีพย า, ยานตั้งพยานขึ้นมาพยานโจดเออ หาหลักฐานพยานมาโจทกันแต่ในหลักธรรมเนี่ยละเอียดกว่านั้นถ้าว่าใครทำกรรมชั่วถึงจะจับคนเดียวก็ตามจับในห้องคนเดียวก็ตามจับไฟเนี่ยก็คือร้อนเหมือนเก่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนนั้นผูดด้ใดเจ้าจังหวะกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังในโอวาพปฏิโมนะกน่ยอัคตังลุ ก, กตังเซโย ปัจฉาทปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเาผาผ่านเมื่อภายหลังเมื่อตัวเองขณะที่ทำเราก็ไม่ได้คิดแต่เมื่อทำไปแล้วความชั่วนั้นมันจะเผาไหม้อยู่ที่ใจนึกคิดขึ้นเมื่อเวลาใดใจของเราก็จะร้อนเมื่อเวลานั้นอันนี้แหละเพราะนั้นพวกเราพระทั้งหลายพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งลุกสิทธิ์ลูกหานะ อย่าไปทาในสินที่มันไม่ดีให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้อยู่ในหลักธรรมวินัยให้ศึกษาในหลักพระวินัยสินส2งีข้อมีอะไรบ้างฟาราชิกสีสังฆาที่เสษส3อนิยต2นิจกียปจิตี30มสปจิตี92ิปฏิเทชนิย 4, สี่สิกวาเจ็ดสิารวมเป็น220นับ ทั้งอธิกรณะสมทะเข้ารวมเป็น227ริเนี่ยศีลของพระที่สวดทุกกลึงเดือนที่สวดปฏิโมกทุกกลึงเดือนคือศีลสองิบเ2็ข้อแต่ศีลที่นอกจากนั้ น, นาาก็ว่าศีลอภิสมาจารย์มีมากศีลอภิสมาจารย์มีมากถ้าจะว่าไปแล้วเป็นหมื่นนะศีลของพระนะถ้าเราดูในพระไตรปิฎกแล้วศีลของพระนี่ไม่ใช่ศีลริ มากกว่านั้นอย่างภิกษุไม่ป่งผมอย่างเนี้ยเป็นอาบัตทุกกฎในสินส2งรี็ดข้อไม่มีแต่สินอ ภ, อภิสมาจารมีภิกษุต้องโป่งผมต้องกวนหนวดต้องตัดเล็บอย่างเนี้ยในสินส2งรี็ดข้อไม่มีแต่สินอภิสมาจารย์มีและสินอภิสมาจารย์อย่างที่ว่านี่น่ะมีมากเพราะนั้น พวกพระเนนของเราพระของเราควรจะศึกษาให้เข้าใจจากนั้นเราก็จะได้นําประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าท่านว่าเราไม่ได้ศึกษามีแต่ว่าเป็นภาาผู้มีสินข้าพ เ, เจ้าเป็นผู้มีศินสินของท่านมีเท่าไหร่นับได้227มีอะไรบ้างเหมือนกับเราไปเลี้ยงวัว227ตัวแต่เรามาจําวัวของเราไม่ได้ ตัวดำตัวด่างตัวแดงตัวเขาคดเขาโคง้งเขางออะไรแล้วจาไม่ได้ก็แสดงว่าเรามีแต่มีแต่ว่าชื่อของชื่อของบัวเวลามันหายไปเราก็ไม่รู้จักเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาเพราะเราจำไม่ได้ เ, เพราะนั้นพวกเราศีลสองิข้อควรจะศึกษานะสำหรับที่เป็นพระที่จะบวชท้าวเนว่เป็นนักบวยอาชีพว่างั้นเถอะ บวชประจำเนี่ยควรจะศึกษาและก็ควรจะท่องปฏิโมกให้ได้ด้วยปฏิโมกเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสําหรับผู้ที่จะบวชดํารงส่งไว้ในาศาสนาควรจะท่องปฏิโมกให้ได้สําหรับวบวดบวชชั่วคราวสองสาเดือนเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นชาจนอ น, นันต์ไม่ว่ากันจากนั้นกับครูบาอาจารย์ก็ควรจะแนะนําสั่งสอนว่าเอออันนี้ผิดอันนี้ถูกเป็นเบื้องตอน้น จากนั้นพวกเราที่เข้ามาศึกษาแล้วก็อย่าไปทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ที่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนแนะนำสังสอนก่อนนำนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขอันนั้นไปลว่าผู้เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาศึกษาเข้ามาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่่าเข้ามาแบบทำลายมาเหยียบย่ระทรบคำสังสอนของผรีเจ้าถ้าเข้ามาอย่างนั้น เขาเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อหาสิริมงคลอะไรเข้ามาอย่างนั้นเข้ามาเยียบย่ำอย่างนั้นไม่ถูกแต่ถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาศึกษาครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนอย่างไรเราก็นำทำคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นว่าลูกที่เกิดมาใหม่ก็ต้องป้อนข้าวเคี้ยวข้าวป้อนเข้าปากเพราะวันเด็กมันยังเล็กอยู่ อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนั่นแนหะละครูบาอาจารย์ก็ต้องดูแนะนำสั่งสอนที่ลูกศิษย์ตัวเองไม่รู้จักเพราะนั้นลูกศิษย์ที่เขามาศึกษาก็ควรจะตั้งอกตั้งใจศึกษาจากนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปก็จะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับตัวเองนานเท่านานเมื่อศึกษาลาเพศไปแล้วเราก็จะได้รับความภาคภูมิใจว่า เมื่อเราบวชในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ทําผิดต่อหลักธรรมพินยัยพระธรรมคําสั่งสอนข้าพเจ้ารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ในขณะที่ข้าพเจ้าบวชในครั้งนั้นจะเป็นที่ลําลึกเป็นที่ประทับใจสําหรับตนเองไปนานเท่านานแต่ตรงกันข้ามถ้าวัดตัวเองเข้ามาบวชใน พ, พุทธศาสนาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลางค่ำกลางคืนหิวข้าวขึ้นมาก็ไปต้มมาม่ามากินซะ ไปกินในสิ่งที่มันผิดต่อหลักธรรมวินยัยกินได้มันก็เสดนั่นแหละใครไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่ตัวเองรู้อยู่นะตัวเองรู้อยู่ไปในสถานที่ใดเราก็ตําหนิตัวเองว่าเราไม่ควรจะทําอย่างนั้นทําไมเราบวชในพุทธศาสนาเรายึดพระธรรมวินัยเป็นหลักแต่ทําไมเราถึงทํากำชั่วถึงอย่างนั้นมันถูกไหมอันนี้หละ กรรมชั่วต้นนั้นแหละมันจะเผาในจิตใจของเราไม่เป็นมงคลสําหรับเราเวลานั่งสมาธิภาวนาจิตใจมันก็ประวัติไปถึงตัวนั้นทําให้เป็นมลทินในจิตใจเพราอนั้นสิ่งใดก็ตามถ้าว่ารู้ว่าที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปทําอันนี้ก็คือสําหรับพระสงฆ์สัมมาเร น, นของพวกเราเพราะเรามาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่ใช่บวชมาเล่นๆไม่ได้บวชมาเพื่อหาอยู่หากินไม่ได้บวชมาเพื่อ หวังลาบยศสรรเสริญอะไรทั้งหมดเราบวชเข้ามาเพื่อรักษาศีลภาวนาเพื่อสอบแสวงหาทางพ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารตามหลักพระธรรมคำสังสอนของพระพุธทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้พวกพระทั้งหมดทุกๆคนทุกๆองค์นะจากนั้นก็เมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาทีนี้ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา พยายามทำจิตให้สงบบริกรรมภาวนาพุทธโธนี่แหละยึดพุทธโธเป็นหลักให้มีสติให้มีสติให้มีสติอยู่กับพุทธโธให้ตั้งอกตั้งใจนะภาวนาเนี่ยสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราเองผมเองเอก่อนที่จิตจะตั้งหลักขึ้นมาได้สติต้องมาก่อน ยืดพุทธโธอีกบันเออยืดพุทธโ ท, า ท, ธโทหายใจเข้ากับพุทธหายใจออกก็โทหายใจเข้ากับพุทธหายใจออกก็โทไม่ให้เผลออันนี้แหละคือเบื้องต้นสาหรับผู้ที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิได้อันนี้คือเบื้องต้นของเราเพราะฉะนั้นพพ า, าลูกพารานอะไรทั้งฟังนะพิธีการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับจิตแต่ภาวนาแล้วสติต้องมาก่อน สติสำจำเป็นสาคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าว่าขาดสติแล้วแปลว่าลอยหมดเสียหมดทุกอย่างเออถึงจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องที่จำเป็นสาคัญอย่างยิ่งอย่าให้ขาดเรื่องสติในสติต้องมาก่อนอันนี้พวกเราจำไว้นะถึงจะยังไงก็ตามถ้ามันเผลอไปพบให้ดิงกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่งั่น เออปัดกวาดกับพุทธโธฉันยังหันอยู่กับพุทโธบินทบาทอยู่กับพุทโธฉันยังหันทำไม่รู้จักรถจากรฉาดพุทโธอยู่ในใจเออพุทโธอยู่ในใจในความรู้สึกอยู่ตลอดเออพุทโธพุทโธพุทโธเดินกับไปพุทโธนั่งพุทโธนอนกับพุทโธเออทีแรกสวันแรกมันเสีวดหนักมาก3มวันแรกเนี่ยบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักมากการงานภายนอกที่ระวันหนักๆนั้นสู้ ความคิดสู้กับอารมณ์ภายในใจไม่ได้ความคิดสู้กับอารมณ์ภายในใจคือบังคับให้จิตอยู่กับพุโทโธหนักมากจริงๆจากนั้นพอสวันต่อมารู้สึกว่าจิตมีสติขึ้นเรื่อยๆจิตรู้สึกว่าเยือกเย็น เ, ออเย็นจิตใจเย็นสบายมีความสุขพุโทโธพุโทโธทีนี้ไม่บังคับแล้วทีนี้เออจิตใจเย็นสบายทนะ้จิตใจอยู่กับตัวเองไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆจิตใจอยู่ปกติมีความสุข มันจิตใจไม่ออกไปอันนี้แหละให้จิตอยู่ถ้าว่าคนจิตไม่อยู่จิตไม่สงบแล้วจะนั่งทั้งคืนน่อย่าไปหวังเลยว่างั้นแต่อันนี้จิตต้องเป็นพื้นฐานแห่งความสงบได้เสียก่อนจึงบังคับด้วยนั่งสมาธิได้เอ่ทีนี้พอจิตสงบพอยึดพุทโธเป็นหลักเมื่อจิตสมาธิดีแล้วให้นําพิจารณาทางด้านปัญญานะให้ออกทางด้านปัญญา ให้พิจารณาที่นี่พิจารณาถึงร่างกายสังขารเกสาโลมานาขาทันตาตะโจพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกคือร่างกายของเรานี่ยนะให้แยกส่วนแบ่งส่วนออกไปจะว่าเรานั่งกำหนดนั่งคิดเพางั้นเดี๋วิปัตสนึกคือวิปัสนาคือวิปัตสนึกนึกผมของเรากองไว้ส่วนหนึ่งขนของเราถอนไว้กองหนึ่งเล็บของเราถอดไว้กองหนึ่ง หนังของเราถลกไว้กองหนึ่งเนื้อของเราเอาไว้กองหนึ่งเอ็นของเราถอนไว้กองหนึ่งกระดูกของเราเป็นท่อนๆเอาไว้กองหนึ่งตับเอาไว้กองหนึ่งปอดเอาไว้กองหนึ่งหัวใจเอาไว้กองหนึ่งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเอาไว้กองหนึ่งอุจจาระปัสสาวะเอาไว้กองหนึ่งแล้วนั่งดูเถอะวะอันนั้นคือร่างกายของเราใช่ไหมออกจากร่างกายของเราใช่ไหม ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าแยกส่วนออกไปแล้วอันนั้นผมอันนั้นขนอันนั้นเล็บอันนั้นฟันอันนั้นหนังอันนั้นเนื้ออันนั้นเอ็นอันนั้นกระดูกอันนั้นตับไตไส้กระเพาะใช่ไหมร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถามใจตัวเองนะอันนี้คือวิธีการแยกส่วนแบ่งส่วนเรียกว่วิปัสสนากรรมฐานให้พิจารณาอย่างนี้วิธีคิดการพิจารณาแต่พิจารณาเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงครั้งเดียวนะ พิจรณาหลายครั้งพอจบแล้วกับพิจารณากลับมาใหม่อีกแล้วก็กลับใมกัาพิจรณาอีกกลับอีกคลาดไปคลาดมาเหมือนเราคลาดนาอย่างนั้นย้อนไปย้อนมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในร่างกายว่าเราเห็นในร่างกายเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอออันนี้คือการพิจารณาเออทีนี้หลวงปู่หมัดแนะนําเสร็จแล้วท่านก็ให้ไปพิจารณาทีนี้พอไปทํางานเท่านั้นผลของงานออกมา เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นมาเห็นผลของงานขึ้นมาพันเห็นด้วยปัญญาของตนเองเออพอเห็นด้วยเพลินเลยทีพิจารณาจนนอนไม่หลับทีนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอ่างนั้นแต่นอนท่านเองก็ไม่หลับเพราะมันจะออกจะทำงานอยู่ตลอดจิตจนออกจนยัง้งหลังมาอยู่พิจารณาจนหาเวลาหลับเวลานอนไม่ได้เป็นพิจารณาถึงสังขารร่างกายพิจารณาตัวนั่นโอ้โหมันรู้สึกมันแตกฉานพิจารณา เห็นได้ชัดเจนเลยแต่มันพิจารณาอยู่ตลอดจนเหนื่อยเออมันมีเวลาพักผ่อนให้อยู่กับสดพุดโทโธให้ได้บังคับให้จิตอยู่กับพุทโธสรุปแล้วก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านให้อยู่กับพุทโธให้เข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วให้นำจิตที่ถอนออกมาจากความสงบพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาธาตุสี่ ดินน้ำลมไฟพิจารณาถึงร่างกายสังขารพิจารณาเป็นอสุภะปฏิโกณพิจารณาเป็นธาตุสี่เอันนี้แหละ ว, ว่าการพิจารณาทางวิปัสสนาเพราะนั้นพวกพวกเราท่านทั้งหลายพวกพระเนรทั้งหลายนะหรือตลอดถึงญาติโยงผู้ปฏิบัติก็ดีให้ภาวานาให้เดินอย่างนี้เดินมักนะทำผิดให้สงบเป็นเบื้องต้นซะก่อนแต่ถ้าว่า จิตไม่สงบจะพิจารณาได้ไหมได้แหมไม่ขัดข้องแต่พอนั่งเข้าไปจิตมันคิดปุ่งฟุ้งสั่นเราก็พิจารณาเลยอ่ามันเอาไม่อยู่อ่มันเอาไม่อยู่เรากับพิจารณาเลยพิจารณ า, าอะไรพิจารณากระดูกนะนะร่างกายสังขารของเราในร่างกายของเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีโครงกระดูกเป็นโครงใช่ไหมแหม่มีโครงกระดูกใช่ไหมใครอยาปฏิเสธไม่ได้ร่างกายมีโครงกระดูกแน่ เอาเกี่ยวกับพี่นากระโหลกศีรษะของเราก่อนกระโหลกศีรษะเป็นยังไงมีหลุมตามีจมูกมีปากมีขากรรไกรมีฟันมีคอมีกระดูกป้องคอมีแขนมีกระดูกแขนกระดูกแขนช่วงบนช่วงล่างกระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกสันหลังกระดูกชี้โครงทั้งสองข้างกระดูกบั้นเอวกระดูกเชิงกานกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้ง กระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าไล่ไปเรื่อยเรอให้เห็นเป็นกระดูกกระดูกไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นก็เห็นร่างกระดูกที่ไหนเราก็ไปยืนสังเกตดูแล้วก็น้อมมาหาตัวเองเออข้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลานั่งภาวนานก็เอาหนักําหนดร่างกายตัวเองให้เป็นเหมือนกระร่างกระดูกก็นั้นแหละพิจารณาทบทวนไปมาทบทวนตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะกระโหลกศีรษะออกจากกระโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้านิ้วเท้าทบทวนไปทบทวนมา ในร่างกายของเราเราเห็นก ร, กระดูกชิ้นไหนส่วนไหนท่อนไหนที่เราเห็นด้วยความรู้ของเราโดยชัดเจนเมื่อเราเห็นกระดูกแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือกระดูกชีโครงข้างใดข้างหนึ่งชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือกระดูกสันหลังตรงไหนก็าตามเราเอาจิตจ่ออยู่ตรงนั้นเพ่งอยู่ตรงนั้นกําหนดอยู่ตรงนั้นไม่หันไปที่อื่นอันนี้จิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ระว่าปัญญาอบรมสมาธิ ใช้ความคิดปรุงเจ ก, ก่อนแล้วก็กําหนดให้มันนิ่งเนี่ว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ท่างสองอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระนะในพรรษานี้พยายามภาวนาพยายามเดินโยกมภาวนาให้มากให้มีกฎเกณฑ์กับตนเองเราจะเดินเวลาเดินโยกมเวลาเท่าไหร่เราจะนั่งเวลาเท่าไหร่เราจะปฏิบัติอย่างไงเท่าไหร่ ให้มีความสัตย์จริงกับตนเองอย่าไปทําเพียงเราะเลยและเ่ยเป็นวันๆไปไปหาคุยกุดนั่นไปหาคุยกุดนี่สนทนาเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องสับเพอเหรอเรื่องโลกเรื่องสองสารเรื่องไม่เป็นเรื่องที่คารวาะญาติโ ย, ยมเขาคุยเอามาคุยหมดเนีใช่ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของพระเพราะฉนั้นพระต้องอยู่ในความสงบพระต้องอยูเอ่เป็นเอกเทศอยู่ตามลําพังนั่งสมาธิภาวนาออกจากนั่งแล้วก็เดินออกจากเดินแล้วก็มานั่ง ออกจากหน้างะพักพรเอา้าศึกษาเนศึกษาธรรมะศึกษาจากหนังสือจากศึกษาวินัยเนีสลับกันไปแต่ว่าเรื่องการศึกษ า, าทําคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั้นเราก็ไม่ว่าแต่ว่าตามให้จริงการอ่านหนังสือนั้นถ้าจะแต่ทำให้ดีนะัปฏิบัติเนี่ยควรจะมา 80% นะอา่าแล้วกัการอ่านการศึกษานั้นชัก 20% สิร์ซะเนพอเรา ที่จะปะบวชเข้ามาแล้วจะประพฤติปฏิบัติหาหาโอกาสหาเวลาอย่างนี้น้อยเราก็ควรจะพยายามปฏิบัติให้มากส่วนอ่านหนังสือนั้น เ, เมื่อเราศึกเป็นคราวา่าสำหรับพระนวากาณนะ เ, เราเป็นคราวา่เราเราสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ถ้าเราปลูกศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างแท้จริงแล้ว เ, เราจะมีแก่จิตแก่ใจที่จะศึกษาให้ยาวไปได้วันปฏิบัติเราจะทําอย่างไง แต่ถ้าว่าพวกเราตั้งต้นยังไม่ได้ยังไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าสมาธิก็ไม่เคยเกิดคณิกะอุปจาระอัปปนาไม่เคยเกิดในจิตใจเสเลยนะมันก็ไม่เกิดศรัทธาเมื่อไม่เกิดศรัทธาแล้วมันก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือธรรมะเพราะอ่านหนังสือธรรมะเหมือนกับออบอระเพชดอย่างนันเถอะ เ, ออเหมือนฟ้าทลายโจรอย่างงั้นแหละออพออ่านเข้าไปหาวข้าแล้วอย่างนันเถอะออไม่อยากจะ ไม่อยากจะศึกษาแหละเพราะเหตุไรเพราะพื้นฐานทางจิตใจเราไม่เคยปฏิบัติเพราะนั้นเมื่อเราบวชมาเนี่เราพยายามทําจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้าจิตสงบแล้วทีนี้เป็นพื้นฐานสักครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละ เ, เราจะมีแก่จิตแก่ใจเราเชื่อในพระพุทธเจา้าไม่ใช่เชื่อตามตำรับตาําราเด้เชื่อในภาคปฏิบัติดเดชพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเรานํามาประพฤติปฏิบัติ จิตใจขอราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจของสงบเยือกเย็นนั่นแหละเราเชื่อจุดนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกจากนั้นเราก็ศึกษาละท่านเองศึกษาแนวทำคําสั่งสอนให้กว้างขวางออกไปแนวทางที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองเอนี่แหละเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพวกพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้มีกฎเกณฑ์กับตนเอง เนเราเราจะพักเท่าไรเราจะนอนเท่าไรเราจะเดินโยมกมเวลาเท่าไหรตื่นเช้าแต่เช้ามาก่อนบิณฑบาตเอาลงไปเดินโยมกมเดินสว่างสว่างเราพักเวลานี้พอแล้วะเรานอนมาพอแล้วแล้วลงเดินโงกมนั่งภาวนาเรื่องการพูดการคุยกันให้น้อยที่สุดการพูดการคุยกันนั่นนะเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันและก็เป็นสาเหตุแห่งการชักชวนกัน ไปเนไปทำไปในทางที่ไม่ดีเวันนั้นให้เรามัดระวังอย่าเข้ามาบวชแล้วจะมาทําลายพุทธศาสนาโดยไม่เจตนาถ้าหากว่าเราเข้ามาแล้วทําตัวไม่ดีจังหวัดทําลายพระพุทธศาสนาโดยไม่เจตน า, าการไม่ทําลายไม่เจตนานั้นเสียหายไหมเสียหายาสมมุติว่าเราเวี่ยงค้อนไปเนี่ยเราไม่คิดว่าจะให้มันถูกหัวคนโน้นนะแต่มันไปถูกหัวคนโน้นเข้ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บเพราะเหตุอะไร ผมไม่มีผมไม่มีเจตนานมันเก็บอยู่เหลือจะไปถามเขาอย่างนั้นได้ยังไงพราพร้พอมไปถูกหัวเขาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วไม่ตั้งใจและก็ทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่แนะนําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าห้ามเราก็นํามาพูดมาทํามาคิดซักครูบาอาจารย์ห้ามอย่าทำเราก็นํามาคิดมาทําซัก อ, อ, อันนี้เปว่า ถึงจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเกิดความเสียหายพฮ่พลอยนั้นพวกพระทุกๆองนะให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยสำหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาฟังนี่ก็เหมือนกันในพรรษานี่ก็ให้ตะ อ, อกตั้งใจรักษาศีลภาวนาให้เต็มความสามารถสำหรับศีลของคราวญาก็คืออะไรคือศีลห้า ศีลห้าที่เรารักษาตลอดรอดฟังไม่ได้ตลอดไตรมากตลอดชีวิตเราก็รักษาเฉพาะวันพระแปดข่ำสิบห้าข่ำได้ไหมรักษาเฉพาะวันเกิดได้ไหมข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าจะไม่พูดมุสาข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราอันนี้คือศีลสําหรับฆราวาสพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5ข้อในสําหรับฆราวาสนะ ศีลสองิบเจ็ดนั้นสําหรับพระ เ, เพราะองนั้นหลวงพ่ออยากจำหนิดทั้งสองทั้ง2ฝ่ายเพราะงั้นเถิดบางทีประชาชนญาติโยมดูถูกพระอย่างงั้นพระอย่างนี้พระไม่มีศีลอย่างงุ่นอย่างนี้ตัวเองมีศีลหรือเปล่าศีลห้ามีกี่ข้อในหัวใจของเราในตัวของเรา เ, เรางดฆ่าศาตวยาคประพฤติผิดในการมยังงดขโมยหรือยังงดดื่มสุราหรือยังถ้าเรายังไม่งดเหล่านั้นการที่จะพูดให้คนอื่นการกระทําของคนอื่นนั้น จะไปพูดเต็มปากไปได้เออเราต้องมองตัวเองซะก่อนว่าตัวเองข้าพราเจ้านี่รักษาศีลห้าสำหรับคารวะบริสุทธิ์บริบรูรณ์จึงจะตําหนิพระสงฆ์องคกก์เจา้าหรือตําหนิใครก็ได้ถ้าเราบริสุทธิ์แล้ว อ, อ, อย่างพระธีท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะตําหนิใครก็ได้ด่าใครก็ได้แต่ท่านก็ไม่ด่าหรอกว่าตําหนิใครก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านตนําหนิพระสงฆ์หรืตําหนิพระที่ปฏิบัติตนไม่ดีนี่พระบอกโมฆบุตร โมฆะพิกษุโมฆะบุรุษจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงทําอย่างนั้นกับทําให้คนอื่นที่เขาไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสแล้วก็คลายจากความเลื่อมใสไม่เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและคนอื่นโมฆะพิกษุโมฆะบุรุษเพราะพได้เจ้าประนามพระไม่ใช่ธรรมดานะเราไปดูสิในพระไตรปิฎกเป็นคําพูดที่เจ็บมากแปลว่าโมฆะไปบอกผู้ปล่าประโยชน์ผู้ไม่ทําให้เกิดประโยชน์ ป่วยนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมน ะ, ะทุกท่านพระพุทธเจ้าสอนศรัทธาญาติโยมสำหรับคราวาสหญิงชายอุบาสกอุบาสิกาท่านก็สอนให้มีศีลห้ามีทานมีศีลมีภาวนาสำหรับสอนพระนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาอสอนต่างกันอยู่นะแต่ว่าคล้ายคล้ายกันแต่ว่าสำหรับคราวาส ท, ท่านให้มีทานด้วย ทานะคือการเสียสละในการทำบุญทำทานอย่างน้อยพระเดินบินทบาติผ่านหน้าบ้านของเราเรามีอยู่มีกินเราก็ควรจะใส่บาตรเออข้าพเจ้าจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดเมื่อพระบินธบาติอันนี้เปลว่าการทำทานสำหรับพี่น้องประชาชนชาวพุทธ อ, อ, อันนี้คือการทำทานการทำบุญทำทานคนที่มีทานอยู่ในจิตในใจมีฐานะคือการเสียสละอยู่ในจิตในใจแล้ว เกิดในพบใดชาติใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากเไปในสถานที่ใดก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพสมบัติอา น, นิสงทานนะถ้าใครก็ตามอั น, นิสงขีตณีทีเนี้อไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักแบ่งปันกระัางพ่อแม่ปู่ย่าตายายห่วงไว้หมดทรัพ ส, สมบัติไม่รู้จักแบ่งปันท่านท่านว่าเกิดมาพบหน้าชาตินานั้นจะเป็นผู้เกิดในสถานที่อดอยากทำมาค้าขายก็ไม่เจริญรุ่งเรือง พ่อเป็นคนขี้ตะนีทีเหนียวเนีอันนี้ถ้าหาว่าผู้ใดเสียสละแบ่งรู้จักแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้การทําทานไม่ใช่หรอเราจะมีเท่าไหร่เราทําทั้งหมดไม่ใช่ เ, เรามีร้อยบาทเราทําบุญ5บาทได้ไหมเนี่ยอันนี้คือการเสียสละทําบุญนั่นคืออะไรแบ่งให้พ่อให้แม่5บาทได้ไหมเนี่ยทบุญในพระพุทธศาสนา5บาทได้ไหมในร้อยบาทนั้นเออ ไอ้ส่วน 99-95 บเกาเทเออเราจะทําให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวของเรากับตัวของเราเอออันนี้คือคือการแบ่งเออแบ่งทําบุญทําทานไม่ใช่ทําทั้งหมดไม่ใช่เก็บทั้งหมดเอ่อเราจกทําบุญทําทานถ้าคนทําได้อย่างนั้นเอ่อเปราอานิสงทานบารมีก็จะเข้าสู่จิตใจของเราเออไปเกิดในสถานที่ใดก็ทำมาค้าขายก็จะเริญรุ่งเรืองด้วยอานิสงทาน ฐานะคือการเสียสละส่วนศีลที่หลวงพ่อกล่าวเบื้องต้นศีล5ประการประพูดให้เาท่านว่าใครก็ตามทารักษาศีลหข้อที่หนึไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนนั้นจะเกิดมาชีวิตจะยืนยาวถ้าว่าใครชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดมาพบนาชาตินาชีวิตจะสั้น เ, เพราะว่าฆ่าสัตว์เป็นอากรินเกิดมาแล้วก่็ตายในท้องแม่ก็มีออกมาพบ พ้นแม่ก็มากับตายก็มีเป็นเด็กตายก็มีอย่างที่พวกเราเห็นนั่ะทำไมบางทีเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดมาเอาเข้าห้องกระจบเอาเข้ า, ขาตู้อบแหะตายก็มีเพราะเหตุไรเพราะว่าอันนี้สงบาปกรรมในอดีตชาติชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดว่อย่างนั้นศีลข้อที่หนึ่งถ้าหากว่าไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ชอบรังแกสัตว์ ชอบทุบตีสัตว์เหตุสัตว์เข้ามาตีมันบังข่ามันบังทุบตีมันบังรังแกมันอดอาหารมันบังเอาเข้าขังบังมัดมันไว้บังจนสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ยากลําบากเพราะการกระทําของเราท่านว่าคนคนนั้นถ้ามีพบมีชาติเกิดมาชาติหน้านจะมีโรคภัยไข้เจ็บประจํากายเจ็บไข้ได้ป่วยเหลืองนั้นเรื่องนี่นเรลืองนี่เหลืองนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะชอบรลังแกสัตว์ในอดีตชาติอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนี้นะเรื่องสินข้อที่หนึ่งเราต้องการไม่ถ่ามีพบมีชาติแล้วเป็นอย่างที่ว่าเนี่ย เ, เกิดมาแล้วก็ตายถ้าไม่ตายก็ทุกผลภนะลภักษ์ร่างกายไปปกติเข้าโรงพยาบาลไม่รู้จักออกนะเราต้องการไหมไม่มีใครต้องการนะอาทินนาทานถ้าว่าเรารักษาสินข้อนี้ดี เ, เกิดมาพหน้าชาติหน้า สิ่งของของเราไปวางไว้ในสถานที่ใดก็ไม่หายไม่เสียไม่หายไปสถานที่ใดเขาเห็นเขาเก็บแล้วก็เขาส่งกลับคืนเพราะว่าเราเป็นคนสุดจิตในอดีตชาติแต่ถ้าหากว่าเราเป็นขโมยของเขานะ่ยมีแต่คนมาจ้องขโมยเราเนเะ่ยอันนี้ก็คือสินข้อที่2ข้อที่3กาเมสุมิชชาร์จา์สามีภรรยาลูกเต่าเล่าหลานใครๆก็รักสังห ว, หวงแหนกันทั้งนั้นแหละ ถ้าเราไปลวกละเมิดเขาเขาก็เสียใจเขามาล่วงละเมิดลูกหลานสามีพันยาเราเราก็เสียใจเพราะนั้นภูมิรญ า, าอย่าไปล่วงละเมิดกันถ้าว่าพวกเรารักษาสินข้อนี้ดีแล้วถ้ามีภบมีชาติเกิดมาพหน้าชาติหน้าเราจะได้พันยาที่ดีสามีที่ดีลูกเต่าที่ดีลูกหลานที่ดีเชื่อฟังโอไนโอวัดเพราะเรารักษาศินข้อที่สาม บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นครอบครัวที่อบอุน่น เ, เพราะอาณาสงรักษาศีลข้อนี้ดีในอดีตชาตินะเหตุเพราะนั้นพวกเราจะจ ะ, จะให้ครอบครัวอบอุน่นครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขก็พยายามรักษาศีลข้อที่3ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะข้อที่สีมุสาวาตการโกหกคู่อื่นเขาโกหกเราเราก็เสียใจเขากี่ตัวเรานะเราก็เสียใจ เราไปขี่ตัวเขาเขาก็เสียใจเหมือนกันไปนโกหกเขาเพราะนั้นท่านจว่าอย่ากโกหกกันการโกหกกันไม่ดีถ้ามีพบมีชาติจะเป็นคนปากเหม็นเทวันนะแล้วก็ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำถึงจะพูดให้ฟังด้วยความสัตย์ความจริงเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าตัวเองเคยโกหกเขามาก่อนแล้วเพราะนั้นพวกเราควรจะรักษาศีลข้อนี้ให้ดี คนที่ให้รักษาศี่ข้อที่4ให้ดีประพุทธเจ้าท่านบอกไว้ด้วยนะท่านตรัสเป็นภาษาบาลีแต่หลวงพ่อในจ่ยจาบาลีไม่ได้ท่านบอกว่าคนที่ชอบพูดโกหกทั้งที่รู้รู้นะคนที่ชอบพูดโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีฟังดูนะ ไอ้คนที่ชอบโกหกจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีถ้างันะ้นอ่ะพวกพุธทธเจ้าทํานายไปแล้วกากระบาดตราหน้าไว้แล้วไ อ, อ้คนที่ชอบโกหกเนะี่ยโดยมากชอบทําความชั่วด้วยฉนะันว่างั้นนะไอ้ไอ้นี้คือสิ่ข้อที่4ข้อที่5สุราเมระยะมชักประมาณเป็นตื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ ไปจะรักษาได้ยังไงเพราะตัวเองดื่มเหล้าดื่มสุราแล้วนะเออมันมันวิพปลิตแล้วมันเป็นบ้าไปแล้วมันขาดสติไปแล้วนะนี่แหละคนที่ขาดสติไปแล้วจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นมันก็ยากเลยก่อนที่จะไปฆ่าเขาก่อนกินเหล้าขอก่อนก่อนที่จะไปด่าเขาก็กินเหล้าให้มันเมาสักหน่อยซะก่อนไปด่าเขาเออเพราะฉะนั้นจะไปขโมยของเขาไปกินเหล้าซะก่อน จะไปทําประพฤติผิดลูกเมียเขากินเหล้าซะก่อนคนโกหกเนี่ยคนกินเหล้าแนละ้วโกหกลับด่าไปเรื่อยเ mm hmm. หมือนนเถอะหัความสัตย์จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นสุราเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นสุราไม่ใช่ผลดีทําให้เสียคนเสียคู่เสียคนเสียเราด้วยเสียหน้าที่การงานมากต่อมากขับรถกินเหล้าเมาแล้วขับรถชนคนชน ด่าไปหมด เ, เสียหายมามากต่อมากเพราะนั้นเล่าพระพุทธเจ้าว่าสุรานไม่เป็นผลดีควรจะงดนะที่เราเป็นชาวพุทธนะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้าอุบาสกอุบาสิกาควรจะส้ำเนียกสำนึกให้ดีอย่าไปกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเฒ่าคนแก่มีอายุขึ้นมาแล้วควรจะส้ำเนียกสมนึกข้อนี้ให้มากนะถ้าเราไปกินเหล้าเมาสุราในที่สาธารณะ ใช่รักษาวัฒนธรรมก็จริงอยู่วัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นธรรมทุงที่จริงที่ถูกต้องอย่างวัฒนธรรมคําว่าธรรมเลยคือความถูกต้องดีงามอันนี้คนไปกินเหล้าจะไปฟ้อนเตงเยงตางยางตอดที่สาธารณสุอายุแก่พแรงนะบางคนนําหมากย้อยหน่าย้อยหลังมา g a นเถ อ, อิอดูแล้วมันไม่น่าดูเลยหลวงพ่อว่านสิ่งเหล่านี้ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายให้ชั่มวมให้ชํารวมให้ระวัง ถ้าลูกหลานเห็นก็ลูกหลานเห็นก็อดสูดูได้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพร gee, Vere, พเาะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ใครจะไปสอนก็สอนไม่ได้เลยสอนผู้เฒ่าว่างั้นแต่มีแต่พระเท่านั้นจะสอนผู้เฒ่าได้ห่างั้นแต่ลูกจะไปสอนพ่อสอนแม่เอ้ยมิจะมาสอนกูหวนะแต่สอนเขาเขสอนได้แต่พอเขาไปทําอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอย่างลูกนี่ยลูกหลานเนี่ยเขาไปกินเหล้าเม า, unaware, า, มมเมายาเขาสมเรทเมาดุด่าให้เขาด้แต่ตัวเองไปทํานี่ นี่เป็นตัวอย่างของเขาที่ไม่ดีนี่ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสำเหนียกสำนึกไว้นะอันนี้คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะให้โอปนายโกให้น้อมเข้ามาหาตนเองในการกระทําทั้งหลายทั้งปวงเพรผฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวสําหรับให้เป็นเครื่องคติเตือนใจสําหรับพระเนนสําหรับพี่น้องประชาชนญาติโยม ให้รู้จักศีลให้รู้จักทำให้รู้จักการเสียสละให้รู้จักเคารพปิดามารดาบิบัติวิดามารดานี่ยคือคือเป็นบุพุปาจารย์อย่างที่ลวงพ่อพูดนั่นแหละร่างกายตั้งแต่หัวจนจนเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครเรามาได้มาจากพ่อจากแม่ไม่ใช่เหรอแล้วใครได้มาจากโพรงจอมปวกใครได้มาจากโพรงต้นไม้บ้างถามดูสิเนี่ยไม่มีได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉนั้นพ่อแม่ให้มาอ่า ร่างกายนี่ให้มาทั้งก้อนเพราะนั้นชั้นลูกลูกถ้าจะพูดให้ฟังก็คอลูกคำว่ า, าลูกก็คือลูกหนี้นั่นเองเป็นหนี้ของพ่อของแม่ท่านให้ให้ทุนมาแล้วเราก็นาก้อนทุนของพ่อของแม่เนี่ยเป็นไปทำตัวให้ดีไปทำมาหาเลี้ยงชีพไปทำมาค้าขายจากนั้นก็ได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ไปทาบุญทาทาน จากนั้นกูทิศสวนกุศลถึงพ่อแม่ของเราถ้าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เราได้หาทรัพย์สมบัติได้เราก็บูชาพระคุณของท่านเอาคืนให้ท่านเลี้ยงขนมนมเลยท่านเสื้อผ้าอาพรท่านปัจดใจฉี่คืนให้ท่านอันนี้แปลว่าลูกนี่ที่ดี เ, เมื่อไปส่อแสวงหาทรัพย์ได้แล้วก็คืนพระแทนพระคุณของบิดามารดาอันนี้แปลว่าลูกที่ดีนะ ถ้าพ่อแม่ล่วงรับดับขันตายไปแล้วพวกเราจะทํำยังไงได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ทำบุญวันตายของแม่วันตายของพ่ออุทิศส่วนกุศลให้อย่างที่วันที่จะถึงนี่วันข้าวประดับดินอย่างนี้เราไปทําบุญที่วัดกัเออพ่อแม่ดวงวิญญาณของพ่อของแม่ของข้าพเจ้าไปอยู่นสถานที่ใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลเนาะพวกข้าทั้งหลายลูกนี้ทั้งหลาย ได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอุทิศให้บิดามันดาในทาทางว่าท่านยังเคาะของยังแวะยังไปที่ไหนไม่ได้ก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกลูกๆได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยเทินคิดในใจอย่างนั้นอันนี้แปลว่าลูกที่ดีลูกนี้ที่ดีไม่ลืมเจ้าหนี้ว่างั้นแต่และก็พ่อแม่ของเราทางวัดดวงวิญญาณของท่านยังเคองยังแวะอยู่นะท่านก็จะได้มาเกิด ได้เสวยบุญเสวยกุศลจากพวกเราที่พวกเราทําบุญบูทิศส่วนกุศลให้นะอันนี้หลวงพ่ออยากจะพู ด, ดทิฏฐานก่อนสดๆให้ฟังคือทิทานเรื่องนี้ไม่ใช่นั้นเด็กเป็นเกี่ยวกับญาติพี่น้องของหลวงพ่อเองว่างั้นเถอญาติพี่น้องของหลวงพ่อเนี่ตระกูลของคุณพ่อเนี่พี่น้องของพ่อมีหลายคนว่างั้นเถอคุณโ ย, ย, มยมพ่อของหลวงพ่อนี่ เป็นลูกชายคนหัวปีและคนน้องของหลวงพ่อนี่ชื่อว่าตาแจ๊กว่างั้นจ้ะลุงแจ๊กอ่าเจ๊กว่างั้นแต่ไม่มีลูกไม่มีเมียเป็นโสดต่อมากือหลวงปู่จามหลวงปู่จามวันห้วยทรายพวกเราคงจะเคยเห็นนะบางคนนะคือเป็นคุณอาหลวงอาของหลวงพ่อน่เองเป็นน้องของพ่อว่างั้นจ้ะเรียกว่าลวงอาถ้าหลวงพ่อไปหาแ้วลวงอาลงอาเนี่ย แต่ลุงอาเนี่ย96ปีแล้วเด๊อันนี้ก็คือลุงอาต่อมาก็มียายชีเจียงแล้วก็มีผู้ใหญ่จุม้มเป็นน้องๆลงมาพวกนั้นมีครอบครัวหมดมีแต่ลุงปู่จามเนี่ยไม่เคยมีแล้วกตะเย็กเนี่ยว่างันแต่แต่นี่พอต่อมานี่อายุต่างคนก็ต่าง 70-80 ปพลุงปู่จามก็96ปีแล้วเด๊ ปู่เจกตูตาเจ๊กในประมาณ70กว่าปีท่านก็ตายไปก่อนนะตาเจ๊กในเจ็ดสกว่าปีตายต่อมาน้องชายที่ท่านอยู่ด้วยกนะ็คือผู้ใหญ่จูมผู้ใหญ่จูมเนะ่ยคือน้องชายเพราะท่านตายอีกพอตายเสร็จแล้วก็น้นองสะไพ้าอีกยายดวงน้องสะไพ้ายือเมียผู้ใหญ่จูมนะ่ยที่ตาเจ๊กไปอยู่ด้วยเนะี่ยที่เลียลเล้ยงลูกเลี้ยงหลานช่วยเขาลูกหลานเขามีอยู่ 45- หคนนะเดี๋ยวนี้เป็นครูเป็นอะไรก็มีเป็นพ อ, อ, อก็มีแล้วงั้นถอะ เนีทีนี้ก็ตายพ็ตายทีนี้เขาก็ไปเผาเผายายดวงเป็นคนนั่นแหละแต่ว่าตายนางห่างกันนะปี2ปีค่อยตายนะปีว่าว่าตายกันไม่ใช่ว่าตายติดต่อกันไม่ใช่แต่ตายเจ๊กเนี่ตายก่อนหลายปีต่อมาผู้ใหญ่จูมตายอีกปี 2-3 ปียายดวงที่เป็นพัญญาก็ตายตายนเนี่ยขาก็ทาบุญอุทิศส่วนกุศล เนีเหมือนกับชาวบ้านนอกเราเนี่ยนะเก็บกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําบุญอุทิศส่ว น, วนนะกุศลนะกาวคาถวายทานลักษณะนี้อีมานี้มายังพันเตภัตตาีิสปริวรานี่คือหัวหน้าพานามอย่างที่พวกเราทํานี่ยแต่นี่แล้วเขาก็กล่าวใช่ป่ะการทําบุญครั้งนี้อุทิศส่วนกุศลให้นางดวงผิวขำพู้นายจมผิวขาสี่หลวงรับไปแล้วดวงวิ ญ, ญญาณของท่าน สิงสถิตโยนทินได้ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกญาติผี่น้องทําบุญอุทิศในวันนี้ถ้าว่าตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ทำมีความสุขกขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกันอย่างพวกเราเคยทําทานเคยถวายทานอะไรแบบนั้นดิพอจบเรียบร้อยแหละพระสงฆ์ก็อารับาจากนั้นก็อนุโมทนาและก็ฉันอาหารในบ้านเขาแล้วกันดิพอฉันอาหารในบ้านเขาทีนี้ ญาติพี่น้องอ๋ลงไปทานอาหารข้างล่างเพราะที่ข้างบนมันไม่พอที่นั่งญาติพี่น้องเยอะนะี่ยทีนี้พอลงไปมีคนลูกเขยหลานเขยเนะี่ยอยู่ในนั่นแนหะอยู่ในถินนั้นแนหะไม่ใช่คนบ้านนั้นเนะไอ้คนในทินคนมาจากถิ่นอื่นมาผีตะเจ๊กกันนะเออเข้าไปสิงบ้าเออผีตะเจ๊กเข้าไปสิงต่ อ, อยมผู้ชายคนนั้นนะ่ะ หกเคยมาจากบ้านอื่นนอนเมเปอรงนั้นううนอนคว่ำหน้าพอนอนคว่ำหน้าทีนี้ถมน้ํานนลายไปข้างหน้าขาในดีดขาสองขาในดีตัดตัดตัดอฟังนั้นเหมือนอ า, าการกับลุงเจ๊กโกรธอย่างนั้นเลยสมัยเมื่อลุงเจ๊กยังมีชีวิตอีกโกรธเลยต้องทําอย่างนั้นอย่างนันเลยเขาเห็นเลยวันอันนี้แปลว่าลุงเจ๊คโกรธเต็มที่แล้วอางั้นเลยก้มหน้าแล้วก็ถมน้ํำลายไปข้างหน้าก็ดีดขาอย่างนั้นเลนอนเมเปอรงนั้นเลย ทีนี่เขาก็ขึ้นมาอ้าไปไงลูกแมใช่ลูกแม่ช่เอ้าเป็นไงครัผีเข้าได้ยอย่างนี้เขาวันนะ่ะชาบ้านเขาน่ะผีเข้าแน่ๆเลยอย่างนี้คงจะผีเข้าคงจะเพี้ยนผีปอบมั่งเขาวันนี่ผีปอบเข้าคนแลน่คานนี้เขานี่ผีปอบเข้าละก็ใช่อยู่หลานของเขานะี่ยเอ่คือตาหยัดเไยในบ้านห้วยทรายนะ้ายผมว่าไม่ใช่ผีปอบโด น, นลักษณะแบบที่ลุงเจ๊คค่ ะ, ขะ กษัตริเลุงเจ๊กน่เป็นอย่างเนี่ยนอนคว่ำหน้าแล้วถมน้ําลาแล้วดีดขาเนี่ย ล, ลุงเจ๊กโกรธเพราะงัน <c oughs> พอเขาว่าลุงพอเขาว่าลุงจ๊กเท่านั้นอ่ะประกาศคือมาเลย <c oughs> อ้กูนี่หละกษัตเ <c oughs> ไมลูกหลานเนีลืมกูัเอกูก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนพอแรงเวลาทาบุญอุศนกุศลไม่กล่าวถึงกูเลยกัเกู <c oughs> กูไม่เคยอดเคยอยากอันนี้สงสินอันอนี้สงทานของกูกูเคยทำมาเนี่ยกูมีอยู่มีกินเอออันนี้สงสินอันนี้สงทานกูกูมีอยู่มีกิ น, น, น, น, น, กนแต่ว่กกูเสียใจอย่างมากที่ลูกหลานไม่เลยึกถึงกูเลยเหมือนกกูโกรธกูโกรธมากกูเสียใจมากที่ลูกหลานไม่กล่าวถึงกูเลยผีหลงเจ๊กล่าวขึ้นม า, า น, นลูกหลานก็โอ้ยขอยอมไปลุงเลยต่อไปจะไม่พูดอีกหรอกจะไม่ทำอีก จะระลึกถึงอีลงอยู่ตลอดอีลงเป็นผู้มีบุญคุณได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาตลอดเพราะนั้นพวกเราระลึกถึงอีลงอยู่แต่ข่าวนี่ลืมไปอ่เหมืนกันขอให้ลุงออกชนามบัตรนี้นะพวกเราลูกหลานจะจําไว้ให้ดีบัตรนี้จะไม่ทําอย่างนี้อีกเหมือนนพรว่าเท่นั้นเลยวิญญาณลงใต้เจ๊กระออกจากร่างนั้นไปเหมือนกนตะแก่เลยลุกป้องงงป็เงีงขึ้นมาเอากูเป็นอะไรสูวกันนะ ไว้กะผี่แต่เจ็ดเข้าสิงมึงแลยเมื่อกี้นี่เหมือนันเขาว่านเานี่ยเออนี่แหละเออตั้งแต่นั้นต่อมาวันนี้เนี่ยพี่น้องไทยบ้านห้วยซ้ายเนี่เขาจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลนี่เขาล่ายาวแล้วงั้นเลยขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนายญาติญาติมิตรสาหายให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลไวยกว่าผ้าจะได้ฉันจังหววนนนันเนี่ยาเหยียดเลยเหมือนันเถอะเพราะงั้นเวลาเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลนี่เออเราต้อง เราต้องคิดตั้มทิศให้ทั่วถึงในญาติพี่น้องนะเวลาเราจะทำบุญอย่างวันข้าวประดับดินที่จะถึงที่หลวงพ่อพูดเนี่ยข้าวชาข้าประดับดินก็ดีงานวันเกิดวันตายของพ่อของแม่เราก็ดีไปทำบุญกัน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลให้พี่ให้น้องให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าเด้อผู้ฆ่าได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นึกในใจนะนี่แหละนึกในใจ ผีก็เป็นมีใจได้ใช่ไหมมาลับกันได้ฮะพอเราเราใจนึกให้ใจเขาก็เป็นคนใจเราก็ใจละเอียดตอนละเอียดพบกันได้ว่างนั้นเะเพราะนั้นการพูดของหลวงพ่อวันนี้ก็ยืดยาวพอสมควรขอจบเพียงเท่านี้นะ